สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิฟระเยซูตอนที่สองรอยี่สิบสี่มืดมัวฝ่ายวิญ ญ, ญาณตอนที่แปดต่อจากเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับฟาริสีและพวกธรรมจาร mm hmm. พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมารโกบทที่เจ็ดข้อที่สิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบสามข้อที่สิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบสามโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนอีก จัดกับเขาว่าท่านหลายจงฟังเราและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะก็ทําให้มนุษย์เป็นมนตินได้แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละกระทําให้มนุษย์เป็นมนตรีใครมีหูฟังได้จงฟังเถิดขันพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือนค้นประชาชนแล้วเหล่าสาวกก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมานั้นพระองค์จึงจัดกัเขาว่าถึงท่านหลายก็ยังไม่เข้าใจหรือ ท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆแต่ภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์จะกระทำให้มนุษย์เป็นมนทถิ่นไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงท่วมไปที่ทรงสอนอย่างนี้เป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างัาจากมนทถินกล้องจัดว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทถินเพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภความมาธรรมการล่อลวงเขาราคะตัญหาปิดฉาตาร้อนการใส่ร้ายความเย่อหยิงความบัตรซบการพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทําให้มนุษย์เป็นหมน่นถิ่นพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องโกรบาล น, นะครับ เพเวลาอานกัมพีมาโกบทที่เจ็ดนะครับในข้อที่สิบเอ็ดนั้นเราพบคำว่าโกราบานแท้จริงแล้วความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าโกราบานนั้นเหมือนกับเป็นของไม่ดีเพราะว่าตกเป็นเครื่องมือของพวกปริศีแต่แท้จริงแล้วนะครับคำว่าโกราบานมาจากภาษากรีกนะครับชื่อว่า us, us, o r B A N A คบานัสคบานัส A O R B A N A S ับคบานัสซึ่งแปลว่า Temple ิลเทชู r y มีความหมายว่าเป็นสมบัติของพระวิหารนะครับความจริงแล้วที่มาที่ไปของคาว่าโกราบานั้นเป็นคำที่ดีครับเป็นการกล่าวนะครับมอบสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัตินะครับให้ตกเป็นของพระเจ้านะครับให้ตกเป็นของพระเจ้าไม่ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่ให้เป็นประโยชน์กับพระวิหารไม่ใช่เกี่ยวข้องกับทางทางโลกนะครับเกี่ยวข้องกับทางธรรมเกี่ยวข้องกับงานศักดิ์สิทธิ์ คำว่าโกรบาล น, นั้นก็อาจจะแปลได้ในความหมายคำว่าเช็ดอภาร์นะครับเาร์ก็คือเป็นของที่แยกไว้ต่างหากเพื่อถวายพระเจ้าโดยเฉพาะแต่ทีนี้พวกกรณีนะครับบิดนะครับบิดบิดหลักคำสอนของโกรบาลก็คือว่าแท้จริงแล้วเขาจะต้องกันส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเลียเ้ยงดูพ่อแม่นะครับเขาก็เลยบิดเอาส่วนนั้นนะครับกลายเป็นโกรบาลใช นะครับพ่อแม่ที่แก่เท่าแก่ชลาก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกฟอริษีอันนี้คือสิ่งที่ฟอริสีนั้นทำด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับเนื้อหาในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับคำอุปมาของพระเยซูซึ่งเป็นคำอุปมาที่สั้นมากนะครับนะครับอยู่แค่สามข้อเองข้อ1ิบสี่ถึงถกนะครับไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์และจะทา ให้มนุษย์เป็นมนุิย์ได้แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั่นแหละจะทําให้มนุษย์เป็นมนุิน์พี่น้องครับเป็นครับอุปมาที่สั้นมากนะครับที่จะบอกว่าสิ่งที่ออกจากมนุษย์นะครับสําคัญกว่าอาหารที่เข้าไปข้างในความหมายของพระเยซูก็คือว่าจากบันทึกของมาระโกนะครับ ทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่ทำให้มนุษย์มีมนท์พินซึ่งออกมาจากจิตใจมนุษย์นะครับหนึ่งความคิดชั่วร้ายความผิดบาปทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับความคิดที่ชั่วร้ายความคิดที่ไม่ถูกต้องสองการล่วงประเวณีร ว, วมถึงความผิดทางเพศทุกอย่างสามการลักขโมยสี่การฆ่าคนห้าการผิดข้อผิดมืหกความโร ث ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ได้สิ่งอื่นที่ตัวเองไม่มีและไม่สมควรมีเจ็ดความอธรรมความปรารถนาที่จะทำร้ายทำอันตรายผู้อื่นแปดการล่อลวงกลโกงต่างๆเก้าราชาตัญหาไม่รู้จักยับยั้งตนเองในการประพฤติไม่มีความยับยั้งชั่งใจ 10. บอิจฉาการ้อนมีใจคิดไม่ดีต่อคนที่มีสิ่งที่เราอยากมี 1ิบเ็ดการใส่ร้ายสบประมาทผู้อื่น1ิบสองความเย่อหยิ่งทนงตัวยกตนข่มท่าน1ิบสามความบัตรซบซึ่งเป็นความออดแอร์ทางด้านจาริยธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างที่พระเยซูกำลังบอกกับเราว่าของที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์นั้นเป็นมนทินดังนันนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้นะครับ พี่น้องครับภายในมนุษย์คือใจมนุษย์นั้นมีความคิดชั่วร้ายสารพัดนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์น่งนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสตรวจสอบชีวิตของตนนะครับตามพระนะของพระเจ้าในข้อที่สามครับความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมีย การโลภความรรมาธยมการล่อลวงราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนใส่ร้ายป้ายสีเย่อยิงบัตรชกพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็น KPI ทางลบที่จะเช็คเรานะครับว่าเรานั้นมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตอยู่ในใจของเราหรือเปล่าถ้ามีนะครับให้เรารีบอธิษฐานสารภาพขอพระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ออกไป ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตอันทรงวิฐานุภาพขององค์พระเยสุคริตเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้ใช้สะอาดใช้บริสุทธิ์จะมีความสุขสดชื่นและจะมีความชื่นชมเป็นดีเพราะเหตุที่ว่าเราปราศจากบาป ท, ทั้งหลายปราศจากบนทินชั่วร้ายทั้งหลายนี่นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนันแหละจะทาให้มนุษย์เป็นมนติน พี่นะครับในทางกลับกันนะครับพระเยซูสอนอย่างนี้ว่าการที่เรารับทานอาหารทุกอย่างนะครับปราจากมนตินเพราะอะไรครับเพราะพวกปริศนนั้นโดยการอ้างเรื่องอาหารเรื่องการล้างมือนะครับทําให้มนุษย์นั้นหรือชาวยิวนั้นต้องแบกภาระหนักในการที่จะทําทตามขนบธรรมเนียมประเพณีแท้จริงแล้วการล้างมือนะครับมี ความหมายก็คือให้เกิดความสะอาดก่อนการกินข้าวตอนการกินอาหารนะครับแต่พวกปริศนั้นล้างโดยที่ถือว่าเป็นพิธีไม่ได้ทารักจริงจริงพี่งครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระกระพีตอนนี้พี่น้องครับเราต้องระวังนะครับเราจะต้องไม่เป็นคนที่หน้าซื่อใจคดเราจะต้องเป็นคนที่หน้าซื่อใจซื่อด้วย น่าคือและใจตรงจะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลดออกจากความยุ่งยากทั้งหลายนะครับเราไม่ต้องคิดมากว่าเราจะพูดอย่างไรถึงจะทำให้คนนั้นมีความสุขเพราะว่าเราพูดความจริงในการเดียวกันครับความจริงนั้นก็จะต้องรับการชำระที่มาจากพระเจ้าหมายถึงว่าความจริงนั้นจะต้องออกมาจากจิตใจของเราด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ความปรารถนาร้าย นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้พี่น้องเป็นข้อคิดในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวย พ, พรพี่น้องทุกท่านในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้คำพูดความคิดชีวิตจิตใจของเรานั้นจะใสสะอาดบริสุทธิ์จะไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคดจะจะต้องเป็นคนที่หน้าซื่อใจตรงและหน้าซื่อใจไม่คดอาเมน